ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องนอกในงานใดสำคัญโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่20มิถุนายน2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เราจะได้ยินกันบ่อยแต่เวลาเราไปทำงานจริงๆเราไปมีผัสสะนั่นเองปรากฏว่าเราแยกไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นน่ยระหว่างงานนอกกับงานในเมื่อแยกไม่เป็นเนี่ยมันปนเปยจนมันเป็นอะไรอ่ะเราคิดว่าอย่างนี้แหละคืองานนอกอย่างนี้แหละคืองานในคือคือมันปนเปนกันจนคนนี้ก็เลยไม่รู้ว่า จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมันขาดอะไรแล้วก็มันเกินอะไรก็เลยไม่รู้อันนี้เัราะโดยเท่าที่เห็นเห็นมาเนี่ยจากผู้ที่ปฏิบัติธรรมะนะเนี่ยมีมีอยู่สี่พวกใหญ่ๆคือพวกที่ทำงานนอกได้ดีอ่านะแล้วก็แต่งานในนี่ไม่เก่งโดยภาษาเนี่ยพวกที่ปฏิบัติที่นี่ คงจะพอเข้าใจาคร่าวๆขนาดหนึ่งง า, งานนอกก็คืองานที่เราผัดสะภายนอกทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะมีอาชีพทําอะไรอยู่ตรงจุดไหนก็ตาม อ, าอยู่โรงครัวหรือว่าจะอยู่ฐานปุ๋ยหรือจะอยู่พุทธ ร, รักษ า, าหรือว่าไปอยู่ช่วยบริษัทพลังบุญแด่ชีวิตขอบคุณหรืออะไรล่ะ ก็แล้วแต่จะอยู่จุดไหนก็ตามงานที่เราอยู่จุดนั้นนั้นอะ่ะแล้วเราทำอะไรบ้างอะ่ะกายกรรมวัจีกรรมสองอย่างนี้นะที่ที่มันจะเป็นงานภายนอกเนี่ยมากที่เราจะผัด ส, สะแล้วเราก็จะเจอพูดคุยกันบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะทางกายกรรมก็ตามทางวัจีกรรมก็ตามส่วน ส่วนทางจิตทางมโนกรรมเนี่ยทางทางจิตอันนี้เราถือว่าเป็นงานภายในนะต่นี้งานภายนอกเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันดีก็ต้องไม่ไม่เป็นงานที่ทุจริตต้องเป็นงานที่สุดจริตยอยู่แล้วยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเป็นงานที่สุดจริตนะจะต้องไม่ผิดศีลธรรมอ่าจะต้องเป็นงานที่ที่อะไรครั เป็นไปโดยที่ถูกธรรมะนะไม่ไม่ไม่ผิดศีลจะถือศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามแต่ตอนนี้พอไปผัดสะปับ๊บก็ทบเข้าเจอเข้าแล้วกี้บอกแล้วว่าพวกที่ทำงานนอกเก่งโอ้โหบางทีขยันขันแข็งทำไอ้นั่นทำไอ้นีไน่ได้เยอะบางคนทำหามลุ่มหามค่ำทำเช้าจดเย็น เรียกว่าไม่ต้องพักอะไรก็ได้มีไฟชีวิตในการทำงานเนี่ยมากเลยจนบางทีป่วยก็ยังมีฉันทะมีใจ ย, ยินดีที่จะทำ เ, เพราะเป็นคนขยันคืออันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนขี้เกียจนะอันนี้เราพูดถึงคนที่ทำงานนอกเก่งแต่จะสังเกตง่ายแลวจะเห็นง่าย จะรู้ว่างานในเก่งไหมเนี่ยคราวนี้บางคนเนี่ยยิ่งทางานนอกเก่งคุณว่าภาษาน้อยหรือภาษามากอา้าวคนทำงานเก่งก็ยิ่งต้องภาษามากถูกต้องไหมยิ่งบางคนคนเดียวเนี่ยทำตั้งหลายงานครัวก็มาช่วยอ่าช่วงเช้านะมาช่วยลงครัวอา้าวสายหน่อยมาช่วยที่ศาลาอ่าล้างอ่าจน เก็บหางามาช่วยเก็บหางาสายไปอีกอไปช่วยงานจุดนั้นจุดนี้หรือไปช่วยทําปุ๋ยช่วยขนขยะดึกดึกนี่ยังไม่ยอมเลยนะยังทําอีกอาบางทีมาเตรียมช่วยเตรียมกับข้าวเตรียมอะไรได้ก็ยังมาช่วยเตรียมหรือว่ามีงานอะไรให้ทําก็ขยันทาขยันจริงๆอันนี้บอกว่างานภายนอกเนี่ยเก่งแต่เดี๋ยวคุณจะรู้ ถ้าคนนี้งานภายในไม่เก่งเนี่ยถ้าตาบใดได้ทำสมใจได้ทำตามที่ตัวเองเนี่ยคาดหวังไว้คนขยันเนี่ยได้ได้ทำอะไรที่เยอะๆได้ทำอะไรที่มันถูกใจ<ม>ก็ยิ่งชอบทายิ่งอยากทายอมตายทำแบบยอมตายเพราะฉะนั้นโอ้จะมีปิติมีความสุขมากเลยแต่จะเห็นผลเลยพวก คนเก่งเนี่ยคนขยันเนี่ยนะจะเห็นผลทันทีเลยเมื่อเวลาที่เกิดป่วยมั่งเออหรือว่ามีเหตุที่ทำให้อะไระทำให้เกิดไปอยู่สถานที่ที่มันมันไม่มีอะไรจะให้ทำอะสมมตินะที่ที่เขาต้องต้องหยุดหยุดกายกรรมเขาหรือบางทีต้องหยุดวัจีกรรมหยุดกายกรรมสมมติว่า เกิดไปเข้าหลักสูตรโคเอนกาโคเอนกาหรือว่าไปเข้าหลักสูตรที่เรียกว่าเขาไม่ให้คุณทำอะไรเลยอ่ะเขาให้คุณแบบว่าหัดหัดอย่างเก่งก็เดินโยงกลมอย่างเก่งก็นั่งทำสมาธิอะไรอย่อะนะเออดูนะเขาหยุดกายกรรมคื อ, ค, อคือให้นิ่งๆไว้ให้สงบสงบไว้หรือว่าเนี่ยให้ให้พูดน้อยๆหน่อยอย่าอย่าพูดมากออ เนี่ยสองอย่างเนี่ยเอาแล้วคราวเนี่ยคุณจะรู้เลยถ้าคุณเก่งแต่งานนอกนะคุณจะปั่นป่วนทันทีคราวนี้พเพราะจิตนี่โอโ้โหมันไม่หยุดสิจิตมันปรงอย่แล้วมันอยากทํานั่นอยากทํานี่อยากพูดอย่างนั้นอยากพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วพอคนที่เนี่ยยิ่งป่วยหรือยิ่งไปเจอสถานการณ์ที่ต้องนั่งนิ่ง สถานการณ์นั่งฟังธทำหรืออะไรที่ต้องนั่งนิ่งๆนะขยับขยื่นไม่เหมาะไม่ควรอะไรเงี้ยนะเอาละคราวนี้สายพวกที่ขยันอย่างเงี้ยโอ้โหทรมานหัวใจมากๆเลยนี่คือคนที่เก่งงานข้างนอกแต่งานข้างในเนี่ยไม่ได้ฝึกทําจิตให้มันสงบให้มันมีสมาธิคือมีความตั้งมั่นคือ มันจะปรุงมันจะฟุง้งมันจะคิดนุน่นคิดนี่อยู่เรื่อยหยุดไม่ลงต่อให้ป่วยด้วยป่วยจนหมายถึงว่าป่วยแล้วอะไรอ่ะไปทำงานไม่ไหวอะนะหมอก็ห้ามอะไรก็โรคมันก็ไม่ยอมให้คุณไปทำได้ละคุณต้องนอนแบกอยู่ที่เตียงแหละเราเนี้ยคราวนี้แหละคุณจะรู้สึกว่าคนที่เก่งงานนอกแต่ไม่เก่งงานในเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยมันทรมารมมากเลย จะเริ่มคิดนะกรณีโอ้ทํางานไม่ได้นี่เหมือนกับคนไร้ค่าเอาละเห็นคนอื่นเขาทาแต่เราไม่ได้ทำโอ้โหบางทีตีตัวเองเลยว่าเอ๊ะเราไม่ไม่เข้าท่าเลยไม่มีประโยชน์เลยบางคนนี่มาปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยคือมาอยู่วัดก็ไม่ได้เพราะทนเห็นคนอื่นเขาทําไม่ได้เพราะตัวเองทําไม่ได้แล้วกรนี้แต่คนอื่นก็ทําได้ วันเลยทนเห็นคนอื่นทําเนี่ยเลยทนไม่ได้มันจะเกิดสภาวะพวกนี้วันมุมกลับคราวนี้ก็คนนี้ก็เลยจะกลายเป็นมาบีบคั้นตัวเองจะโหดทูบางคนโหดทูหอยเหียวว่าโอ้โหเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะดูสิคนอื่นก็ทํากันทํากันนะแต่เราทําอะไรไม่ได้ต้องมานอนแซววันคนนี้เนี่ยจะเบื่อจะเซง็ง แล้วก็ไม่กล้าอยู่กับคนอื่นที่เขาทำได้อยู่วันในกรณีคนที่เก่งงานภายนอกและไม่เก่งงานภายในเนี่ยต้องรู้ตัวเองแล้วว่าอาต้องหัดบ้างวันสายที่ทำงานเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเพลิดจะเพลิดไปกับงานเพราะบอกแล้วจะมีไฟมีปิติมีความยินดีมากเลยถ้ายิ่งได้ทำแต่ถ้าใครมาห้าม ใครมาแบบว่าหยุดบ้างเหอะเอาตอนนี้ไปหัดไปทําเจโตสมาธามั่งหรือว่าอะไรบ้างโอ้โหไม่เอาอะไม่มีประโยชน์สู้ทำงานอย่างเดียวซึ่งจริงๆมันก็จริงนะถ้าคุณทําจิตคุณได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยมันไม่จริงก็ตรงที่เรียกว่าคุณเอาแต่ปรุงแล้วคุณพักจิตคุณไม่ได้อ่ะคุณหยุดจิตคุณไม่ลงอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วไอ้อย่างนี้มีปัญหาแน่เพราะบอกแล้วพอถึงจุดที่คุณทำไม่ได้เมื่อไหร่กายทำไม่ได้แต่ใจมันยังอยากอ ย, กอยู่ความอยากของใจที่เราต้องขยันเราต้องทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณห้ามจิตคุณไม่อยู่เมื่อคุณห้ามจิตคุณไม่ได้มันกลายเป็นเหมือนกับนามแหลมหรือว่าเข็มแหลมแหลมเลยที่มาทิ่มแทงใจของตัวเราเอง ซึ่งบอกแล้วว่าขาวเนี้ยคนนี้จะตีตัวเองแล้วอ่าแล้วก็บอกแล้วว่าไม่เป็นสุขเลยป่วยก็ไม่เป็นสุขต่อให้ป่วยนะจริงๆป่วยเนี่ยมันก็ทุกข์ทางกายจะแย่อยู่แล้วนะแล้วจิตก็ป่วยไปอีกก็เสร็จเลยคนนี้คนนี้เพราะว่าบอกแล้วว่าทำงานในไม่เป็นทำงานในก็คือ รู้จักทำจิตของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นพุทธะให้มันรู้สัจจะให้รู้ความจริงว่าสัจจะความเป็นจริงเนี่ยเอาบางทีเนี่ยมันก็ต้องหยุดบ้างบางทีมันก็ต้องขยันใช่ไหมที่พอท่านเอามาพูดให้พวกเราฟังบ่อยๆว่าอะไรต้องอ่าต้องอะไรอ่านะต้องรู้จักเพียรต้องรู้จักพัก หรือว่าอย่าพักอย่าเพียนพูดอีกอย่างนึงนะพูดอีกอย่างหนึ่งนะอืนะอย่าพักอย่าพักก็คืออะไรต้องเพียนใช่ไหมยย่าพักก็คือต้องเพียนแต่ว่าอย่าพักแล้วคุณต้องมีอย่าเพียนด้วยก็คือพักเราะั้นสองคเนี้จะเป็นคําที่จริงๆก็คือเนี่ยจะต้องรู้และทําให้มันพอดีพอเหมาะของแต่ละคนซึ่ง สุขภาพกายก็ตามสุขภาพจิตของแต่ละคนก็ตามก็เก่งไม่เท่ากันอยู่ละแต่ละคนจะต้องรู้ความพอดีพอเหมาะของตัวเองว่าเออเราควรจะรู้พักรู้เพียรได้ได้มากน้อยขนาดไหนพรานคราวนี้คนนี้งานในของตัวเองต้องรู้เลยว่าเออเราจะเอาแต่เก่งงานนอกเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ฝึกงานในของเราเนี่ยให้มันสมดุลกันได้ด้วยเนี่ย คุณมีปัญหาแน่ถ้าคุณไม่สามารถทำให้มันควบคู่กันไปทั้งสองอย่างให้ให้พอดีพอเหมาะกันได้คุณมีปัญหาแน่นอนบอกแล้วต่อให้คุณเก่งยังไงก็ตามส่วนอีกพวกหนึง่งคือพวกอะไรอะ่ะขี้เกียจงานนอกใช่หมแต่จะเอาแต่งานในพวกขี้เกียจงานนอกนะไม่ค่อยอยากทำอ งานภายนอกจะเอาแต่งานในวันๆจะเอาแต่เดินยงกลมอาแต่นั่งดับตาคือ <c oughs> จะเอาแต่กําหนดจิตดูใจของตัวเองแต่ว่างานนอกเอาภาษาน้อยๆไม่ต้องมีภาษาอะไรไม่ต้องไปทํางานอะไรมากหรอกพวกเนี้ยจะหลงตัวเองได้ง่ายพวกที่ จะเอาแต่งานในจะเอาแต่งานในบอกว่าจะเอาแต่ดูจิตไงจะเอาแต่ดูจิตของตัวเองร้องานนอกไม่ต้องไปทำอะไรมันมากหรอกจะไปทำอะไรยิ่งเป็นนักบวชอุ้ยยิ่งเป็นนักบวชยิ่งไม่ต้องไปทำงานอะไรหรอกพูเจ้าท่านก็ให้ลดกิเลสมั่นก็ให้ดูแต่จิตดูแต่ใจเราเท่านั้นพอมีราคะมีโทสะมีโมหะขนาดไหนจับให้ได้แล้วก็อ่อะไร ล้างๆทิ้งไปให้หมดก็บรรลุธรรมแล้วก็ใช้ได้แล้วอันนี้มันเป็นภาษาพูดคนที่ไม่จะปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะคิดอย่างเนี้ยแล้วก็เลยจะเอาแต่งานในทั้งๆ ท, ท, ที่โดยสัจจะโดยความเป็นจริงเนี่ยคนที่จะรู้งานในของตัวเองได้ดีเนี่ยคือรู้สภาวะจิตรู้อารมณ์จิตรู้ความจริงของจิตตัวเราเองอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงเนี่ยคุณจะรู้ได้จากที่คุณนั่งคิดเอา หรือเปล่าไม่ใช่หรอกคุณจะรู้ได้จากผัสสะทางปากหละรู้ได้จากงานนอกที่มันมาชนคุณเนี่ยอ่าใช่ไหมถ้าคุณเอาแต่หลบหลบล บ, ลบคุณจะรู้เหรอว่าเป็นยังไงมันไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้งานไหนได้ดีเนี่ยถึงบอกว่าจะต้องขยันงานนอกด้วยที่จริงแล้วนะ แต่ในเมื่องานนอกขี้เกียอจอธมาบอกแล้วเมื่อคนนี้ขี้เกียจในงานนอกบางทีไม่ค่อยอยากจะทำอะไรไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรกับใครวันๆก็เอาแต่เจโตสมาธอฝึ ก, กจิตลูกเดียวนะถ้าอย่างนี้ถึงบอกว่าคนนี้จะไม่ค่อยรู้งานในจริงๆแท้ๆของตัวเองได้ชัดเจนหรอกเยอะแยะไป พวกที่ฝึกงานในของตัวเองจนกระทั่งคิดว่าตัวเองได้ขันนั้นได้คันนี้โถเอ้ยพอให้มาเจอภาษาเข้าจริงๆบางทีโสดาบันไม่รู้จะได้หรือเปล่าแค่โสดาบันเนี่ยไม่อย่างนั้นผู้เจ้าจะกําหนดเหรอเอาศีลเข้ามาเนี่ยว่าต้องให้ถือศีลห้าศีลห้าเนี่ยคืองานภายนอกเลยนะแต่เป็นงานภายนอกที่คุณใช้ศีลห้าเนี่ย ใช่ไหมคุณอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ่าคุณดูนะคุณจะเดินไปไหนคุณจะกินอาหารอะไรนะเอาแค่สองอย่างนี้ก่อนคุณจะทํางานอะไรที่มันมันอย่างเนี้ยเดินนั่งยืนนอนศีลข้อที่หนึ่งอ่ะพูดถึงศิ่งข้อที่หนึ่งอ่าคุณระวังดีหรือเปล่าคุณจะกินอะไรเนี่ยคุณยังกินเนื้อสัตว์อยู่หรือเปล่า ที่คุณไม่ฆ่าเองยังต้องให้คนอื่นฆ่ามาให้คุณเนี่ยคุณยังเบียดเบียนอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ยคุณพิจารณาได้ไหมละกิจตัวเองเนี่ยว่าเอาติดหรือเปล่าติดเนื้อสัตว์อยู่หรือเปล่าถึงเลิกไม่ได้เพราะพิจารณาแล้วก็รู้ว่ามันยังเบียดเบียนอยู่ะ่ะเลิกไม่ได้เนี่ยติดเนื้อสัตว์ใช่ไหมที่เลิกไม่ได้แล้วศีลเนี่ยกำกับอยู่แล้วอะ่ะถ้าถ้าคุณชัดในศีลข้อนี้ เอ้ก็ต้องเลิกอ่ะไม่มีทางอื่นแล้วพอเลิกอะ่ะคุณดูสิโอ้โหกิเล่มันดิ้นใช่ไหมกิเลมันดินนด้นใหญ่เลยเพราะว่ามันเคยติดไก่ ย, ย่างเคยติดส้มตำปูเคยติดอะไรก่บลูกชิ้นเกาเหลาเนื้อสดเนื้อเปื่อยหรืออะไรที่เคยชอบเคยติดมาพอให้คุณงดให้คุณเว้นโอ้โควาเนี้งานในคุณจะเห็นเลย มันโผล่มาเลยนะกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่โผล่มาให้คุณเห็นหน้าเห็นตาแล้วคราวนี้คุณถึงจะรู้ว่าเอออย่างเงี้ยจะจัดการได้ยังไงแล้วจัดการได้ไหมกําลังจิตเนี่ยมีกําลังพอจัดการได้ไหมกิเลสออกมาดิน้นพรานพรานพ่า น, า น, า น, านอยากกินอยากกินอยากกินคุณห้าม ก, ากั้นจิตคุณได้ไหมเนี่ยทํางานทํางานในแล้ะห้าม ก, ากั้นจิตได้ไหมหรือล้างจิตที่เราไปติดไปหลงในเนื้อสัตว์เนี่ยคุณล้างทิ้งได้ไหม ถ้าคุณทำได้สาเร็จแสดงว่าเอองานในคุณประสบความสาเร็จเห็นแม้ว่างานนอกเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เรารู้สภาวะจิตภายในของเราเพราะฉะนั้นคนที่ภายนอกเนี่ยไม่ค่อยมีภาษายังไม่จริงหรอกว่ารู้ภายในตัวเองชัดเจนนี่ยังไม่จริงเพราะนั้นคนที่งานนอกไม่เก่งคือคือไม่ค่อยเอานั่นเองพยายามเลี่ยงเลี่ยงพยายามหลบหลบ ทำให้มันน้อยๆหน่อยงานงานนอกแต่จะเอาแต่งานในจเอาแต่งานในคนนี้รู้ความจริงของตัวเองได้น้อยจะไม่รู้ความจริงของตัวเองได้มากแต่มีสองกรณีพูดอย่างนี้แล้วต้องพูดรายละเอียดด้วยคืองานนอกเนี่ยอย่าคิดแต่ว่าอะไรอะ่ะต้องหยิบต้องจับต้องอะไรต่ออะไรอย่างเดียวนะ งานนอกเนี่ยบางทีเราไปอยู่ในสถานที่ที่สมมติว่าไม่ค่อยอะไรอะ่ะไม่ค่อยมีงานอะไรให้ทำนะคราวนี้ไม่ใช่เราขี้เกียจนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากไม่อยากทำงานแต่บางสถานที่เนี่ยมันเป็นที่ที่มันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำจริงๆบางทีอย่างเก่งก็บัตรกวาเช็ดถูอะไรก็หมดละไม่รู้จะทาอะไรอื่นละคือถ้าอย่างงี้งานนอกนั้น ไม่ใช่เราขี้เกียจแต่มันไม่มีภาษามาให้เราเท่านั้นเองนะอันนี้ต้องแยกประเด็นให้ชัดด้วยเพราะนยิ่งสมมติเอาเราไปในสถานที่ที่อย่างที่บอกอะบางที่คนเขามีอยู่เยอะอยู่แต่เขาแยกคุณไปเลยว่าอ้าวคุณไปคุณห้ามคุยกันนะอ่างานภายนอกนะห้ามคุยกันนะอ่าไม่ต้องไปทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นอะไรนะ ให้คุณแยกกันเลยเพอเพอให้คุณไปอยู่ในห้องห้องห้องเดียวอะ่ะไม่ใช่ขังเดียวแต่ให้คุณฝึกเดียวเขาเขาเาถือว่าอย่างนั้นแล้วให้คุณดูจิตดูใจเอาก็ใช่คราวนี้ก็จะเห็นกิเลสดิ้นได้เหมือนกันแต่กิเลสดิ้นสำหรับคนที่ขยันจริง คนที่ขยันจริงเนี่ยม า, มาถึงขยัน ง, งานนอกน ะ, ะจริงเลยนะแล้วบอกแล้งงานในไม่เก่งเนี่ยให้จับไปอยู่งั้นก็ดิ้นใหญ่สิอ่าดิ้นออกมาให้คุณเห็นแน่นอนแต่สำหรับคนขี้เกียจชอบเลยสิเสร็จเลยโอ้โหยอย่างนี้สบายเลยแหให้นั่งเฉยๆนั่งทำสมาธินิ่งๆเฉยๆไม่ต้องทำอะไรอื่นหวานคอแรงเลยคำนี้งานในเป็นอะไรละ งานนายสําหรับคนขี้เกียจไม่ใช่ตัวผลักแล้วใช่ไหมแต่งานนายของคนขี้เกียจตอนนี้เป็นตัวดูดของคนขี้เกียจอ่าแต่บอกแล้วถ้าคนนี้หลงเห็นไหมถ้าคนนี้หลงนั่นนึกว่าโอ้โหเรายิ่งยินดีที่จะนั่งอย่างเงี้ยนั่งทําสมาธิทั้งวันโอ้โหเรายิ่งยอดเลยเรายิ่งเยี่ยมเลยนี่นี่ยเนี่ยหลงผิดเนี่ยเข้าใจผิดแล้ว แล้วก็หลงนึกว่าตัวเองหมดกิเลสด้วยเผลอๆคิดว่าตัวเองหมดกิเลสด้วยมันจะไม่หมดได้ไงอะ่ะมันไม่มีอะไรมาให้ผา ส, สา่เลยมีแต่ตัวเองและของชอบของตัวเองด้วย อ, ะอ่ะไอ้อย่างนี้เหมือนกับคนได้กินของของอร่อยอะ่ะของที่ตัวเองชอบอะ่ะกูได้กินของอร่อยโอ้โหกณก็มีแต่มีความสุขเท่านัา้นใช่ไหมมีความสบายเพราะฉะนั้นคนที่ขี้เกียจงานนอกอยู่แล้ว ชอบงานในประเภทแบบนี้ประเภทแบบนิ่งๆสงบสงบไม่ต้องให้จิตปรุงไม่ต้องให้จิตคิดอะไรเลยนี่นี่คือพูดง่ายไม่ต้องให้จิตปรุงไม่ต้องให้จิตคิดอะไรเลยนะเอถ้ากิเลสจะโผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดถึงกิเลสเนี่ยคือคือสะกดใช้วิธีการแบบสมถะสะกดไว้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องคิดถึงเพราะฉะนั้นผัสสะหรือกิเลสที่มีอยู่เนี่ย มันก็โดนกดเอาไว้เฉยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดแม้ให้ใครทำกับข้าวหน่อยแล้วก็หอมๆแล้วรู้ว่าคนนี้ชอบอะไรนะเสร็จแล้วเอาพัดลมเป่าให้ความมันลอยเข้าล อ, ลอยเข้าจมูกไปโอ้โหเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะนะไอ้ที่สะกดสะกดไว้ไม่รู้จะสะกดอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันของชอบอยู่แล้วไงแมยได้กินปั๊บทันทีเลยนะ ถ้าของชอบเนี่ยกูจะกินภาพนี้ขึ้นเลยทันทีเลยโอ้โหทั้งน้ำํำย่อยทั้งอะไรนะน้ําลายน้ํายาใหญ่อะนะรับรองเลยมันจะมาเลยถ้ายิ่งคนที่ไม่ฝึกให้ดีอะนะไม่ฝึกแบบแบบของพุทธอะนะฝึกแบบแต่กดกดคมเนี่ยคุณจะกดไปได้ได้ไม่นานแต่ถ้าคุณฝึกแบบพุทธเนี่ยต่อให้ให้ไอภาพ ของอร่อยนั้นขึ้นมานะแต่คุณจะรู้เลยว่าโอ้ยเราไม่ไปหลงเราไม่ไปติดเราไม่ไปอร่อยอย่างเดิมอย่า ง, ง น, นั้นแล้วนั้นละคุณก็จะสลายไปได้เลยถ้าของพุทธเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็สลายความติดความหลงความชอบนั้นออกไปเนี่ยนี่สำหรับคนที่ขี้เกียจงานนอกแต่ว่าชอบจะมาขยันงานในแต่ ขยันงานในที่มันบอกแล้วยังไม่ถูกพุทธยิ่งขนาดขยันงานในแบบแบบสมถะไม่มีวันอะที่จะบรรลุธรรมผู้เจ้าถึงได้ตรัสไว้เลยอะไรอะอารันดาบทอุทกดาบทโอ้โหบำเพ็ญจนได้ขนาดไหนอะได้อะไรอากาสาได้อาจินญัญญาอะไรต่ออะไรคุณคิดดูเอาก็แล้วกัน แต่แต่ถ้ากดข่มอยู่อย่างนี้ผู้เจ้าไม่ให้โสดาบันด้วยซ้ําไปไม่ได้ให้บรรลุธรรมก็เป็นการกดข่มไปเท่านั้นเองเพรา ะ, ะงานในแบบนี้มันเป็นงานในแบบสมถะนะไม่ใช่งานในแบบถูกพุทธอตมาบอกแล้วถ้าใครเนี่ยฝึกงานในแล้วทําแบบถูกพุทธเนี่ยผู้เจ้าถึงบอกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใช่ไหมเรามีพักเรามีเพียร เท่ากับจริงๆท่านบอกว่ามันต้องทําคู่กันไปต้องทําทั้งสองอย่างทั้งงานนอกงานในเนี่ยต้องทําให้พอดีพอเหมาะกันทําคู่กันไปเลยไม่ใช่อะไรตรงกว่าอะไรที่ที่ถูกต้อง น, นะมันต้องทําถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปกดข่มเอาไว้ด้วยแต่เป็นการลู่เลยว่าโอ้โหนี่กิเลสตัวราคะขึ้นมาแล้วไอ้อาหารแบบนี้เราชอบกิน คนแบบนี้โอ้โหเราชอบเขาพูดจาเพาะดีจังเลยเราชอบนะอย่างเงี้ยเรารู้ชัดเลยแล้วพอรู้แล้วโอ้โหไอไปชอบแบบนี้นี่มันกีเลสเรานะเดี๋ยวเราก็ไปหลงไปติดไปยึดอ้าวนั้นก็จะล้างจะสลายรู้จักใช้อสุภะรู้จักพิจารณาตามสัจจะตามความเป็นจริงว่าไปหลงติดแล้วมันทุกข์อ่ะอา แล้วเดี๋ยวก็อาคติเดี๋ยวก็ลำเอียงพ่อรักเพราะชังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสลายสลายสลายไอ้ความติดยึดโลภโกรดหลงอะไรพวกนี้ยลงไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ถึงจะเป็นงานในที่ถูกกระแสพุทธอืม น, นั่นนี่เนี่ยสำหรับคนที่นะอะไรอะเก่งงานนอกแล้วก็ไม่เก่งงานใน แล้วก็คราวนี้ไม่เก่งงานนอกแต่เก่งงานในแล้วก็คราวนี้คนที่เก่งทั้งงานนอกทั้งงานในอันเนี้ยคือคนที่รู้ภักรู้เพียรแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจในสัจจะในความเป็นจริงในความพอดีในมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเพราะฉะนั้น คนที่คราวนี้นะคุณดูนะงานนอกเนี่ยเวลาคุณทำงานนอกมีปัญหาเกิดขึ้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นในขณะที่คุณทำงานนอกอยู่เนี่ยคุณคอยดูจิตคุณตลอดเวลาเลยเป็นยังไงตอนนี้ทำงานอยู่กับคนนี้ดูสิระกี้หันของเอาไว้ตรงเนี้ยไม่รู้ใครยกไปแล้วเนี่ยแค่หันหน้าไปคุยกับคนนี้หน่อยเดียวหันหน้ามาอีกทีหนึง่งอา้าวหายไปไหนละ นั่นนี่งานนอกผัสสะเกิดขึ้นแล้วแต่ในขณะที่พอชามหายปับ๊บโอ้โหขึ้นเลยทันทีนะขึ้นเลยทันทีนะมองแล้วกันนี่มองซ้ายมองขวาเขียงหายไปไหนแต่หลิวแต่หลิวชั้นหายไปไหนเริ่มเลยนะมองมองมองไหนแต่หลิวอยู่ในมือใครหรือเขียงมาอยู่ที่ใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทันทีเลยแล้วก็เริ่ม ไม่ชอบใจเริ่มไม่พอใจเริ่มอึดอัดขัดเครืองจับได้ทันทีเลยบอกโอ้โหเนี่ยกาลังเกิดอาการสายโทสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในขณะที่คุณภาษะคุณทํางานนอกนี่อยู่เนี่ยคุณก็จับอารมณ์จิตพวกเนี้ได้แล้วบอกแล้วพอคุณจับได้นะคราวนี้ทันทีที่จับหัวตอนนี้กิเลสขึ้นแล้วนี่รู้ตัวแล้วว่าไม่ชอบใจแล้วนะ ตาเริ่มไม่อยู่กับที่แล้วนะซ้ายมั่งขวามั่งนาะกวาดกวาดและเป็นแบบเลดา้ากวาดแล้วนะ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดูดูซิอยู่ที่ใครอูดูดูซิอยู่ที่ใครยิ่งเจอนะโอ้โหอยู่ที่คนนี้คุณจับได้เลยว่าหืมจิตมันอยากจะเข้าไปว่าหรืออยากที่จะแหมอะไรอะ่ะเข้าไปเล่นงานเขาเนี่ยพอจับได้ปับ๊บคราวนี้งานในคุณต้องทํา